ความทุกข์ที่มีอยู่ลดน้อยถอยลงไปจนหมดสิ้นไปจากใจทมที่ยาวมาฝากท่านในวันนี้ก็มีหัวข้อว่าพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยคืออะไรรัตน์ก็แปลว่าเพชรนินจินดาอัญญมณีอันล้ำค้า ไตรแปลว่าสาม mm hmm. ก็แปลความหมายก็คือสิ่งที่มีความล้ำค่ามีคุณค่ามหาศาลสามสิ่งด้วยกันที่เราเรียกว่ารัตนไตรได้แก่อะไรได้แก่หนึ่งพระพุทธสองพระธรรมสามพระสงฆ์ mm hmm. พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ รวมกันเรียกว่าพระรัตนตรยัยมีคุณค่าล้ำค่าอย่างไรเพราะว่าเป็นส่วนประกอบอันสำคัญของพระพุทธศาสนานี่เองพระพุทธศาสนาจะปรากฏขึ้นมาและตั้งอยู่บนโลกนี้เพื่อทำคุณทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกได้นั้นจำเป็นจะต้องมี องประกอบที่สามขันสามองค์ประกอบนี้คือจาเป็นที่จะต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสั่งคำสอนและมีพระอริยสงสาวก์ของพระพุทธเจ้าที่จะมาสืบทอดข้อธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าให้อยู่ในโลกนี้ไปเป็นเวลาอันยาวนานถ้าไม่มี พร ะ, ะ, ะพุทธพรธรรมพระสงค์พระพุทธศาสนาก็จะปรากฏขึ้นมาและตั้งอยู่บนโลกนี้ไม่ได้จะไม่มีพระพุทธศาสนามาทำคุณทำประโยชน์ให้กับสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอยู่นี้ให้ได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จาเป็นที่จะต้องมีพระพุทธศาสนา าการที่จะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาได้ก็ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ก่อนในองค์พระรัตนกายทั้งสานี้องค์แรกที่จะปรากฏขึ้นมาก่อนก็คือพระพุทธเจ้าต้องมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมันประเสริฐคือพระอริยสัจสี พระไตรลักษณ์มาตัสรุได้พบวิธีการที่จะทำให้จิตใจของสัตว์โลกได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ได้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ต้องมีผู้ฉลาดที่จะสามารถมาศึกษามาปฏิบัติได้ด้วยตนเอง แล้วก็ตัดสรลุขึ้นมาเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ก็มีอยู่สองแบบด้วยกันพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรุ ด, ด้วยพระองค์เองโดยชอบและหลังจากได้ตัดสรุแล้วก็จะเอาความรู้ที่ได้ส่งตัดสรุ น, นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไป เราเรียกว่าพระอรหรันต์ตัสมาสามพุทธเจ้าแล้วพระ พ, พุทธเจ้าประเภทที่สองก็คือพระปเจกพุทธเจ้าพาระปเจกัพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นพระที่ได้ตัดสรู้ทำมันประเสริฐและได้หนุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่จะไม่ได้เผยแผ่สั่งสอน แต่ไม่ได้เอาธรรมที่ได้ทรงรู้ทรงเห็นนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ เ, เรียกว่าพระประเจกับพุทธเจ้าตัดสรู้เฉพาะตนเองมีความรู้ไว้สำหรับตนเองทั้งนั้นไม่ได้นำเอาความรู้ที่ได้ตัดสรู้มาสอนผู้อื่นถ้าจะให้มีพระพุทธศาสนาเราก็ต้องมีพระอาหารหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าง เจ้าชายสิทธัตถะที่บวชแล้วตัดสโลเป็นพระอรหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหลังจากนั้นก็ประกาศพระธรรมคําสอนให้แก่สัตว์โลกอยู่อีกสี่สปีด้วยกันต้องมีพระอรหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาถ้าเป็นพระเบเจกพะพุทธเจ้าก็จะไม่มีการเอาทรมันเลิศอันประเสริฐนี <c oughs> มดเผยผให้แก่ผู้ เมื่อไม่มีการแสดงธรรมพระรัตนตรยองค์ที่สองก็ปรากฏขึ้นมาไม่ได้ก็คือพระธรรมรัตนะก็คือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วเมื่อไม่มีพระธรรมคาสั่งคาสอนก็จะไม่มีผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคาสั่งคาสอนจนได้บรรลุเป็นพระอริยสงสารุกของพระพุทธเจ้าขึ้นมา ถ้าเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถตั้งพระพุทธศาสนาให้ปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ได้การที่จะมีพระพุทธศาสนาปรากฏและตั้งอยู่ในโลกนี้จนมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ได้นั้นต้องมีพระอาหารหันตาสามมาสามพุทธเจ้าคือหลังจากที่ได้ทรงตัดสัูวได้สองค้นพบทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้ว พระ อ, องค์ก็เอาความรู้นี้มาประกาศมาสั่งมาสอนพอมาสั่งมาสอนเอาความรู้คือธรรมมาเผยแผ่ก็ปรากฏเป็นธรรมขึ้นมาในโลกนี้ทันทีตอนที่ยังไม่ได้แสดงธรรมก็ไม่มีใครรู้จักธรรมว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ทาได้อย่างไรแต่พอพระ อ, องค์ทรงสแสดงธรรมครั้งแรก ทองแสดงให้กับพระปัญจวัคคีฤสีทั้งห้ารูปทองแสดงพระอริยสัจสีให้แก่พระปัญจวัคคีหนึ่งในพระปัญจวัคคีก็บรรลุพระเป็นพระอริยสงสาวุกข์ขึ้นมาเป็นคนแรกเป็นพระเสูดาบันขึ้นมาอันนี้ก็จะทำให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์ ต้องมีพระพุทธเจ้าก่อนที่รู้ธรรมอันประเสริฐแล้วเอาธรรมอันประเสริฐที่ทรงรู้ทรงเห็นนี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้กับผู้พอมีผู้ที่สนใจได้ยินได้ฟังได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถบรรลุถึงพระธรรมอันประเสริฐนี้ได้บรรลุเป็นพาาระอรหันตสาวกขึ้นมาได้ เป็นผู้ที่สิ้นกิเลสเหมือนกับพระพุทธเจ้าทุกประการพระพุทธเจ้าเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระอาริยรสงสาวกที่บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดนี้ก็เป็นพระอารหันตาสาวกเป็นพระอารหันเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระอารหันตาสาวกเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คือเป็นผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยตนเองไม่มีครูไม่มีอาจารย์มาสั่งสอนเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีครูบาอาจารย์มาสั่งสอนนอกกนั้นแล้วไม่มีใครที่จะสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยตนเองต้องรอให้ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อน พอได้ยินได้ฟังวิธีการดับทุกข์แล้วก็สามารถนำเอาไปปฏิบัติและดับความทุกข์บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้แต่เราจะไม่เรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์ตถาสมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ด้วยตนเองแต่เป็นพระอาหารหันต์เป็นแต่เป็นพระอาหารหันต์เพราะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกอีกทอดหนึ่งเราจึงเรียกภาษาวกว่าเป็นพระอาหารหันต์ตาวก นี่คือพระสงฆ์พระสงฆ์ในพระรัตนนาตยต้องเป็นพระสงฆ์ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ตถาโกหรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปพระสงฆ์พระอริยสงฆ์สาวกนี้มีอยู่สระดับด้วยกันระดับแรกเราเรียกว่าพระโสดาบันระดับที่สองเรียกว่าพระสกิดาคามีระดับที่สามเรียกว่าพระอนาคามี และระดับที่สี่เราเรียกว่าพระอารหันต์พระอารหันตั้งสี่ระดับนี้เราเรียกคำคำรวมว่าเป็นพระอาริยะสงสาวกเพราะได้บรรลุถึงพระอาริยะขั้นต่างๆได้เป็นพระอาริยขึ้นมาเป็นขั้นต่างๆตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอารหันต์ถือว่าเป็นพระอาริยสงสาวก เป็นพระสงฆ์ในพระรัตนตรยัยสามารถที่จะเอาความรู้ของพระพุทธเจ้านี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ไม่รู้ได้สามารถได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้ได้บรรลุขั้นสูงสุดต่อไปได้ถึงแม้ว่าพระโสดาบันพระสกิดาคาพระนาคามียังไม่ได้บรรลุ ถ, ถึงทำขั้นสูงสุดแต่ท่านมี ทำในใจที่สามารถที่จะพาให้ท่านได้บรรลุปไปถึงขั้นสูงสุดได้ด้วยตนเองไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีพระรูปอื่นมาเผยแผ่สั่งสอนก็ได้ถ้าได้เป็นพระโสดาบันขึ้นมาแล้วคำว่าโสดานีแปลว่าการเข้าสู่กระแสของพระนิพพานพระโสดาบันนี้คือเป็นผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพาน เมื่อได้เข้าสู่กระแสแล้วนี้จะไม่ไปทางอื่นจะไม่ไปทางสังสารวัฏอีกต่อไปจะไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดจะมุ่งไปสู่พระนิพพานตามกําลังของการปฏิบัติจากพระโสดาก็จะเป็นพระสะกี ด, ดาคาอยากพระสะกี ด, ดาคาก็จะเป็นพระอนาคาแล้วในที่สุดก็จะเป็นพระอาหารหันต์ตามลําดับต่อไปพระเรียสง์สาวกนี้เป็นพระสง์ เป็นพระในพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยแต่เรามีพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าพระสมมุติสงฆ์พระสมมุติสงฆ์ก็คือพระภิกษุที่มาบวชในพระพุทธศาสนาที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต พระสมมติสั์นี้จึงไม่ถือว่าเป็นเป็นเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยจะเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยได้นี้ต้องเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นมา <c oughs> ซึ่งการจะเป็นพระอริยบุคคลนี้ก็ไม่ได้จํากัดอยู่ว่าจะต้องเป็นพระภิกษุเท่านั้นถึงจะเป็นได้เพราะว่าถ้าผู้ใดาสามารถปฏิบัต ตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยสงฆ์ได้ก็คือปุุก็คือสัตัธายาโยมที่ไม่ได้บวชก็สามารถเป็นพระอริยสงฆ์ได้พระภิกษุที่เป็นสมมุติสงฆ์ก็สามารถเป็นพระ อ, อริยบุคคลได้แต่ถ้ายังไม่ได้บรรลุก็ยังไม่สามารถเรียกตนเองว่าเป็นพระอริยสงฆ์ได้ท่านั้นเอง ผู้ใดก็ตามที่สามารถปฏิบัติจนมีดวงตาเห็นธรรมเห็นพระเห็นพระ อ, อริยสัจ ส, สี่เห็นไตรลักษณ์เห็นพระนิพพานผู้นั้นก็ถือว่าเป็นพระอริยสู์เป็นพระสงฆ์ในพระรัตนตรยัยแต่ผู้ที่มาบวชเป็นพระแต่ยังไม่ได้บรรลุนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นพระสงฆ์ในพระรัตนตรยัยต้องเข้าใจจะได้ไม่มีความ เข้าใจผิดเพราะบางทีคิดว่าพอมาบวชเป็นพระสงฆ์แล้วปั๊บจะต้องเป็นพระอริยะขึ้นมาทันทีเมื่อเป็นพระอริยะแล้วต้องประพฤติตนสวยงามไม่มีด่างพร้อยพอได้ยินข่าวค่าวไม่ดีของพระสงฆ์ขึ้นมาก็เลยเกิดความเสื่อมศรัทธาขึ้นมาในพระสงฆ์ต้องเข้าใจว่านี่ไม่ใช่พระสงฆ์ในพระรัตนตรัยเป็นพระผุุ้ชนที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นไป แต่ถ้าท่านได้เป็นพระโสดาบัานขึ้นไปแล้วรับประกันได้ว่าความประพสติของท่านนี้จะไม่ด่างพร้อยอย่างแน่นอนศีลของท่านจะบริสุทธิ์ถ้ายังเป็นพระภิกษุที่ยังมีศีลที่ด่างพร้อยอยู่นี้แสดงว่าท่านยังเป็นปุตุชนธรรมดาเหมือนกับศรัทธาญาโยมที่ยังไม่ได้บวชยังเป็นปุตุชนยังเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานคือไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล เพราะฉะนั้นเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจทําใจกับพระภิกษุได้ว่าเวลาพระภิกษุทําอะไรเสียหายศีลด่างพร้อยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติที่ท่านยังเป็นปุถุชนอยู่ท่านยังมีกิเลสเหมือนกับญาติโยมที่ยังไม่ได้บวชอยู่แต่แต่ว่าท่านมีความศรัทธา ม, มากกว่าญาติโยม จึงสามารถออกบวชได้แต่การออกบวชได้ด้วยศรัทธาเพียงอย่างเดียวนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะประพฤติตนได้ดีงามไม่ด่างพร้อยเพราะใจของท่านก็ยังมีกิเลสตัณหามีความโลภความโกรธความหลงอยู่และบางครั้งใจของท่านก็อาจจ ะ, ะสู้กับพลังของกิเลสตัณหาไม่ได้ก็มีก็นําไปสู่การประพฤติ ท, ที่ไม่สวยไม่งามที่ด่างพร้อย ถ้าเราเข้าใจว่าท่านไม่ได้เป็นพระสงฆ์ในพระรัตนตรยัยเราจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจเราจะได้ไม่เสื่อมศรัท ธ, ธาในพระรัตนตรยัยเพราะว่าพระสงค์ในพระรัตนตรัยนี้รับประกันได้ว่าท่านไม่มีการประพฤติที่จะเสื่อมด่างพร้อยเลยอย่างแน่นอนถ้าท่านประพฤติตนด่างพร้อยก็แสดงว่าท่านไม่ใช่เป็นพระอริยสงฆ์ เท่านั้นเองงั้นขอให้เราทําความเข้าใจไว้เวลาที่เราได้ยินข่าวาวเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์นี่ที่มันเหมือนกับเรื่องของคารวาะญาติโยมก็ให้เข้าใจว่าท่านก็เป็นเหมือนคาราวะญาติโยมนี่แหละท่านก็ยังมีกิเลสตัณหามีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกับคารวะญาติโยมต่างตรงที่ว่าท่านมีความศรัทธาความเชื่อและมีความเพียรพยายาม ที่จะประพฤติตนให้เป็นพระอาริยสงฆ์ขึ้นมาด้วยการเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลของพร ะ, ะสงฆ์ก่อนคือศีล227ข้อแต่ท่านก็อาจจะบกพร่องได้บางครั้งบางเวลาถ้ากำลังของสติของท่านสู้กำลังของกิเลสตัณหาไม่ได้ท่านก็อาจจะไปกระทำการกระทำที่ไม่สวยงามสำหรับนักบวชได้เหมือนกัน นี่เกิดเราต้องเข้าใจต้องแยกแยะออกว่าพระสงฆ์มีอยู่สองชนิดพระอริยสงฆ์กับพระสมสมุติสงฆ์พระสมมุติสงฆ์ที่มาบวชในพระพุทธศาสนานี้เราเรียกว่าพระภิกษุพระภิกษุที่มาบวชพระภิกษุนี้อาจจะเป็นเป็นพระปุถุชนก็ได้อาจจะเป็นพระอริยบุคคลก็ได้ <Yeah. S 2> เราไม่รูน้นอกจากว่าถ้าเราได้ศึกษาได้พบปะได้เรียนรู้จากท่าน แล้วก็ได้เห็นความประพฤติอันดีงามและได้รับประโยชน์จากการคำสั่งคำสอนของท่านสามารถทำให้เรานี้บรรลุปเป็นพระอริยบุคคลได้ก็แสดงว่าท่านก็ต้องเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระสุ ป, ปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ถ้าเราไปพบปะแล้วไปร่ำเรียนจากพระรูปใดรูปหนึ่งแล้วท่านยังไม่สามารถสอนให้เราบรรลุปเป็นพระอริยบุคคลได้ อันนี้ก็มันก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าท่านอาจจะยังไม่ได้เป็นผ้าอริยบุคคลก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเรายังปฏิบัติไม่ถึงก็ได้ทำของท่านอาจจะพาให้เราไปถึงผ้าอริยบุคคลได้แต่การประพฤติปฏิบัติของเรายังพาเราไปไม่ถึงจุดนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองเห็นภาะพิกษุนสงฆ์นี้เราต้องรู้ว่า ท่านก็อาจจะเป็นพระอาริยะบุคคลก็ได้เป็นพระอาริยะสงฆ์ก็ได้หรือไม่เป็นพระอาริยะสงฆ์ก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้ได้นอกจากผู้ที่ไปศึกษาได้สัมผัสด้วยได้กับท่านโดยตรงแล้วสามารถรับประโยชน์จากท่านได้ถ้าสมมติว่าไปเรียนกับท่านแล้วท่านสอนให้เราบรรลุเป็นพระอารหันต์ได้อันนี้ก็แสดงว่าท่านก็ต้องเป็นพระอารหันต์ถึงจะสามารถสอนให้เราเป็นพระอารหันต์ได้ แต่ถ้าท่านเป็นพระอรหรันต์เราสอนให้เราปฏิบัติแต่เราปฏิบัติไปไม่ถึงขั้นพระอรหันต์ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์หมายความว่าเรายังศึกษายังปฏิบัติไม่ถึงขั้นที่จะเป็นพระอรหันต์อันนี้เป็นความบกพร่องของเราเองไม่ใช่เป็นความบกพร่องของผู้สั่งสอนดังนั้นการดูพระพระสงฆ์นี้ก็ต้องรู้ว่าต้องรู้ว่ามีสองรูปแบบเป็นพระสงฆ์ที่เรียกว่าสมมติ Lets สงฆ์ เป็นพระภิกษุที่บวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองถ้านอาจจะเป็นพราะอราิยะบุคคลก็ได้ถ้าถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเป็นพระสุปฏิปันโนหรือท่านยังอาจจะไม่ได้เป็นพระสุปฏิปันโนก็ได้เพรนั้นพระสมบุติสองอ์นี้จึงมีสองชนิดด้วยกันพระภิกษุสงอ์จึงมีสองชนิดพระภิกษุสอ์ที่เป็นพระอริยสงฆ์และพระภิกษุสองอ์ที่เป็นปุถุชนไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์ อันนั้นเราอย่าเมาว่าพระรูปใดรูปหนึ่งพอเสียทําความเสียหายแล้วก็ปก็เราจะไปคิดว่าพระทุกรูปที่มาบวชเป็นภิกษุนี้กลายเป็นพระไม่ดีไปหมดพระดีก็มีพระไม่ดีก็มีมีปนกันไปทุกยุคทุกสมัยมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการแต่ขอให้เรารู้จักเลือกให้ถูกก็แล้วกันเลือกพระอริยสงฆ์อย่าไปเลือกพระพระปุตุชนสงฆ์ แต่เราก็ไม่ได้รังเกียจเพราะว่าก่อนที่จะเป็นพระอริยสงฆ์ได้ก็บางทีก็ต้องเป็นพระปุตุชนสงฆ์ก่อนต้องมาบวชก่อนมาบวชมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเราถึงค่อยบรรลุปเป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาตามลําดับเราก็ต้องให้ความเคารพพระพระภิกษุที่มาบวชทุกรูปเพราะอย่างน้อยก็ถือว่าท่านมีศีลมากกว่าเราแล้วท่านก็นมีความตั้งใจ ที่จะมุ่งไปสู่พระนิพพานแล้วท่านก็อาจจะเป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาได้ในวันข้างหน้าก็ได้หน้าที่ของเราที่จะปฏิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็คือต้องสนับสนุนท่านด้วยปัจจัยสี่เช่นอาหารบิณฑบาตจีวรเครื่องนุ่งหม่มกุติที่วาสาัยยารักษาโรคเป็นต้นอันนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ไม่ได้เป็นนักบวชเป็นคารวะญาติโยม ที่ต้องทําหน้าที่สนับสนุนพระภิกษุที่มาบวชที่ต่อไปท่านก็อาจจะกลายเป็นพระอาริยสงฆ์ขึ้นมากลายเป็นพระรัตนาตนะไตขึ้นมาหนึ่งในพระรัตนาตนะไตเพราะว่าการที่พระพุทธศาสนาของพวกเรานี้จะอยู่ไปได้ยาวนานแค่ไหนก็อยู่ที่ว่ามีพระอาริยสงฆ์อยู่ในโลกนี้หรือไม่ถึงแม้ว่าเราจะไม่มี พระพุทธเจ้าแล้วก็ตามแต่เรายังมีพระธรรมรัตนะคือมีพระธรรมคําสั่งคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้วก็มีพระอริยสงสาวกที่เป็นพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่เป็นพระอรหันต์มาเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนของให้กับพวกเราอยู่เรื่อยๆถ้าเราศึกษาจาก พระไตรปิฎกเพียงเดียวนี้ก็จะเป็นการยากกว่าการที่เราได้ศึกษาจากพระอารหรันต์เพราะการศึกษาจากพระไตรปิฎกนี้เราไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดีแล้วก็จะอะไรที่สําคัญอะไรที่ไม่สําคัญเราจะไม่รู้แล้วเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกเราก็อาจจะแปลความหมายไม่ไม่ถูกต้องก็ได้ก็อาจจะทําให้การปฏิบัติของเรานี้ไม่บรรลุผลก็ได้แต่ถ้ามีผู้ที่ได้บรรลุผลแล้วเช่นพระอารหรันต มาคอยสอนมาคอยบอกท่านจะสอนตรงประเด็นเลยท่านจะไม่อ้อมค้อมท่านจะไม่ต้องให้เราเสียเวลาสอนไปที่การปฏิบัติที่เป็นแก่นของพระพุทธศาสนาเลยเพือจะสอนตามที่พระเจ้าทรงสอนทุกประการคือสอนให้ละการกระทำบาปทั้งบ่วงให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระสรัพกพ่อจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราเพียงปฏิบัติ ศึกษาและปฏิบัติตามทำสามข้อนี้เราก็จะสามารถบรรลุปเป็นพระอาริยบุคคลได้สามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีพระอรหันต์ที่มีประสบะการณ์ที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติมาแล้วเราอาจจะต้องคำทางไปถึงแม้จะมีแผนที่แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าแผนที่ที่ว่านี้เราแปลความหมายของแผนที่ถูกหรือไม่ เราก็อาจจะไม่รู้ว่าเราจะไปเริ่มต้นที่ตรงไหนก่อนอย่างยุคนี้คนที่ศึกษาพระไตรปิฎกก็้างจะงงว่าต้องศึกษาอะไรบ้างต้องศึกษ า, าพระพิธรรมหรือไม่เป็นต้นแสดงว่าไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นที่ตรงไหนกันถ้าไปศึกษาพระไตรปิฎกเขามีคำสอนหลายระดับด้วยกันระดับต้นระดับกลางแ ล, และระดับปลายถ้าเราต้องการที่จะให ไปถึงพระนิพพานให้หลุดพ้นอย่างรวดเร็วเราก็ต้องไประดับปลายระดับปลายก็มีนี่ฮะทำสอนที่พระเจ้ญญาทรงสรุปให้พวกเราปฏิบัติกันอยู่สามข้อด้วยกันก็คือละการกระทําบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเพียงแต่ปฏิบัติสามข้อนี้เราก็ไปถึงพระนิพพานได้ไม่จําเป็นที่ต้องไปศึกษาพระอภิธรรมแต่อย่างใดเลย บางคนไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ที่ไหนดีอย่างไรดีเรียนอะไรดีเพราะพระไตรปิฎกนี้มีต้องสองหมื่นแปดหมื่นสี่พันพุทธธรรมบทก็ไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตงไหนถ้าเราไปศึกษากับพระอรหรนันต์นี่ท่านก็จะสอนโดยตรงเลยง่ายดายรวดเร็วแต่ถ้าเราไปศึกษาจากพระไตรปิฎ克拉จะไปเริ่มต้นที่หน้าหนึ่งหน้าสองอ่านไปมีเป็นหมื่นหน้าด้วยกัน อ่านไปแล้วบางทีก็ไม่เข้าใจว่าจะเริ่มต้นปฏิบัติที่ตรงไหนก่อนที่ไหนก่อนที่ไหนหลังดังนั้นยังมีความจําเป็นถึงแม้จะมีพระไตรปิฎกอยู่ในโลกนี้แต่ถ้าไม่มีพระอาหารหันตสาวกเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วต่อไปพระศาสนาก็จะเสื่อมหมดไปเพราะผู้ที่มาศึกษาพระไตรปิฎกนี้จะไม่สามารถที่จะนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุ ถ, ถึงมรรคผลนิพพานได้ นี่อาจจะมีบ้างบางคนบางแต่จะมีจำนวนน้อยมากแล้วก็จะทำให้การเผยแผ่ทำให้แก่ผู้นี้หดตัวเข้าไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะไม่มีผู้รู้จริงเห็นจริงมาเผยแผ่เพื่อทำให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไปพระพุทธศาสนาก็จะสิ้นสุดลงถึงแม้จะมีพระคำพีไดก็ไม่มีใครเข้าใจอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจกัน ต้องมีพระอาหารหันตสาวกมาสอนถึงจะเข้าใจกันเพราะท่านจะสอนแบบตรงไปตรงมาสอนยกตัวอย่างที่เราจะสามารถเข้าใจเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนี่ก็คือส่วนประกอบของพระพุทธศาสนาที่เวลาเริ่มต้นนี้ต้องมีสามองค์ทุกยอดตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้ต้องมีพระอ า, ารตสัมมาสามพุทธเจ้า สะสมรู้ทำแล้วประกาศพระธรรมสั่งสอนทําให้มีพระธรรมพระธรรมรัตะนะปรากฏขึ้นมาเมื่อมีพระธรรมรัตะนะก็จะมีผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็จะบรรลุเป็นพระสังฆละตะนะัตตนาเป็นพระสงฆ์องค์ที่สามของพระรัตตนาตายขึ้นมาพอมีสามองค์ปั๊บนี้พระพุทธศาสนาก็จะตั้งอยู่ได้นานนะเพราะว่าถึงแม้พระพุทธเจ้าจะตายไปแ80ดสิปีอายุแปดสิปี ก็จะมีพระอาหารหันตสาวกมาทําหน้าที่ต่อพระพุทธเจ้าแล้วแล้วต่อจากนั้นก็จะมีผู้ที่มาศึกษาจากพระอาหารหันตสาวกมรรุกเป็นพระอาหารหันต์กันเป็นตามลําดับกันมาก็มาช่วยกันถ่ายทอดพระธรรมคําสอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ยุคปัจจุบันนี้เรายังถือว่าโชคดียังมีพระอาหารหันตสาวกอยู่ในโลกนี้ถึงแม้จะมีไม่มากก็ตามแต่เราก็ยังพอที่จะหาได้ พอที่จะไปได้ศึกษากับท่านได้ถ้าเราสนใจที่เราจะค้นคว้าสอบถามผู้ที่อยู่ในวงการปฏิบัติเขาจะรู้ว่าองค์ไหนเป็นอย่างไรนี่ก็คือเรื่องของพระรันาตนตรัยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนาเอามาแสดงฝากท่านในวันนี้เพื่อท่านจะได้รู้จักและได้พยายามรักษาพระพุทธศาสนานี้ให้อยู่กับโลกเราของเราไปนานๆต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาเ mm hmm. พราะต่อไปนี้เราก็จะมาปฏิบัติกัน mm hmm. เราจะมาปฏิบัติการทำที่เรียกว่าสมาธิ mm hmm. สมาธินี้เป็นขั้นตอนขั้นหนึ่งของการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. อยู่ในอยู่ในกลุ่มที่สามคือในการซักพอกจิตใจ สมาธินี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่หนึ่งคือละ ก, การกระทําบาปการละ ก, การกระทําบาปต้อง ล, ละะด้วยการรักษาศีลห้าขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่สองที่เรียกให้สร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมสร้างบุญสร้างกุศลก็คือการทําบุญทําทานทําความดีต่างๆให้แก่ผู้แต่อยู่ในกลุ่มที่สที่เรียกการซักาฟอกจิตใจการซักาฟอกจิตใจนี้จะมีแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเรียกว่าสมาธิส่วนที่สองเรียกว่าปัญญาเบื้องต้นเราต้องทําสมาธิก่อนเพื่อให้ใจมีความสงบมีความนิ่งมีกําลังที่จะไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์ตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกําลังที่จะไปหยุดกิเลสได้เมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากกิเลสตัณหาความอยากต่างๆ การเวียนว่ายตายเกิดของเราเกิดจากกิเลสตัณหาถึงแม้จะรู้แต่เรายังจะหยุดมันไม่ได้ถ้าเราไม่มีสมาธิอย่าเบื้องต้นเราต้องมาทําสมาธิกันก่อนให้ให้เรามีกําลังพอกิเลสมาหลอกให้เราไปหาหนูน่นหานี่ไปซื้อนูน่นซื้อนี่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราก็จะได้หยุดมันได้เพราะการไปเที่ยวการไปซื้อของต่างๆมาดับความทุกข์ใจนี้ดับไม่ได้ดับได้ชั่วคราว น่าจะกลายเป็นตัวปัญหาขึ้นมาอีกต่อไปดังนั้นเราจะมาฝึกสมาธิกันในวันนี้นั่งประมาณยี่สิบกว่านาทีด้วยกันวิธีนั่งสมาธิก็ต้องเป้าหมายคือให้ใจนิ่งให้ใจสงบใจจะนิ่งใจจะสงบได้ต้องไม่คิดปุงแต่งความคิดปรุงแต่งนี่แหละเป็นตัวที่ขัดขวางความสงบความนิ่งของใจขัดขวางการเข้าสมาธิ ถ้าเราปล่อยให้คิดไปทั้งวันทั้งคืนมันก็จะไม่มีวันเข้าสมาธิได้เราต้องมาหยุดความคิดให้ได้กันการจะหยุดความคิดต้องมีอุบายวิธีไม่สามารถสั่งให้มันหยุดได้ทันทีเช่นตอนนี้ญาติโยมลองบอกต่อไปนี้ห้ามคิดหยุดคิดครึ่งชั่วโมงอ้ามันสั่งมันมันก็ไม่หยุดมันก็จะคิดไปเรื่อยๆวิธีที่จะทำให้มันหยุดคิดต้องใช้อุบายของสติส ต, สติแปลว่าการนั้นเลือกู้ เราต้องมีสติและเลึกรู้อยู่กับกรรมฐานคําว่ากรรมฐานแปลว่าอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้นิ่งให้สงบให้หยุดคิดนั่นเองอารมณ์ของกรรมฐานนี่มีหลากหลายชนิดด้วยกันแล้วแต่ความจําเป็นในแต่ละขณะเวลาที่เราปฏิบัติบางครั้งเราต้องใช้กรรมฐานชนิดหนึ่งบางครั้งเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นอีกอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับภาวะของจิตใจของเราแต่โดยมากเราจะใช้ สองอย่างด้วยกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือการบริกรรมพุทธโธพุทธโธให้มีสติแล้วเลิกรู้อยู่กับคําบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปหรือให้มีสติแล้วเลิกรู้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออที่ปลายจมูกถ้าเรายังไม่มีกําลังที่จะดูดูลมได้หรือบริกรรมพุทธโธได้ก็อาจจะต้องใช้การ สวดมนต์ไปก่อนเป็นอารมณ์เป็นกรรมฐานได้เหมือนกันเวล า, เาใจเราคิดมากๆให้ดูลมก็ไม่ยอมดูลมให้พุโทโธก็ไม่ยอมพุโทโธจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เราให้มาสวดมนต์ดูสวดบนสวนบทที่เราเข้าใจที่เราจำได้สั้นก็ได้ยาวก็ได้พอสํสำคัญขอให้สวดไปเรื่อยๆก่อนเพราะอาจจะต้องสวดเป็นเวลายาวนานพอสมควรป่ออาใจจาหายฟุ้งซ่าน แล้วหันมาดูลมหายใจหรือมาบริกรรมพุโทโธได้ต่อไปแต่เราจะใช้กรรมฐานสา ม, ามชนิดนี้เป็นหลักเวลาเราเริ่มต้นนั่งสมาธิถ้าดูลมยังไม่ได้ถ้ายัางบริกรรมพุโทโธไม่ได้ก็ลองสวดมนต์ไปก่อนสวดบทที่เราจำได้นั่งนั่งอยู่ในท่าสมาธิสวดมนต์โดยที่ไม่ต้องออกเสียงเหมือนกับแทนที่จะใช้พุโทโธเราก็ใช้การสวดมนต์ไป กำกับใจไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เป้าหมายในการที่เรามีมีกรรมฐานนี้ไว้เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆเวลาเราสวดมนต์ไปตอนต้นมันก็ยังมีความคิดแว๊กเข้ามาก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามคิดให้มากลับมาอยู่ที่ลมหายกลับมาอยู่ที่การสวดมนต์ไปก่อนหรือถ้าเราดูลมได้แล้วเราก็ดูลมไป ขณะที่ดูลมถ้ามีความคิดเข้ามาชวนไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อย่าไปคิดตามให้เกาะติดอยู่กับลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวหรือถ้าเราใช้พุโทโธก็ให้เกาะติดอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวบางท่านอาจจะใช้พุโทโธควบคู่กับลมหายใจก็ได้เช่นหายใจเข้าแล้วก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได้แต่ไม่จําเป็นจะต้องทําแบบนี้ทุกคนทําพุโทโธอย่างเดียวก็ได้ดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้ หรือส่วนมนุษยไปก่อนก็ได้แต่ข้อสําคัญต้องมีอะไรให้ให้ใจทําไม่ให้นั่งอยู่เฉยๆเพราะนั่งอยู่เฉยๆใจจะลอยไปกับความคิดทันทีต้องดึงให้กลับมาอยู่กับกรรมฐานเพราะถ้าเรายึดผูกใจไว้อยู่ให้อยู่กับกรรมฐานได้ด้วยสติให้เราเลิกรู้อยู่กับพุโทโธให้เราเลิกรู้อยู่กับลมหายใจความคิดก็จะค่อยเบาลงเบาลงแล้วในที่สุดก็นิ่งแล้วก็หายไป ออความคิดหายไปใจก็นิ่งสงบเกิดความสุขขึ้นมาทันทีใจที่นิ่งสงบนี้จะมีความสุขที่ประหลาดมหัศจรรย์ใจที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วจะมีกําลังคือเบิกขาที่จะต่อสู้กับความอยากได้เวลาที่เราไปเจริญปัญญาหลังจากที่เราเออกจากสมาธิไปแล้วพอเราเห็นความอยากเราก็บอกนี่เป็นทุกข์ความอยากเป็นต้นเหตุ ข, ของความทุกข์มันจะพาเราไปหาความทุกข์ อยากไปทำตามมันถ้าเรามีสมาธิมีมีกำลังของอุเบกขาเราก็จะหยุดความอยากได้ชวนให้เราไปเที่ยวเราก็ไม่ไปชวนให้เราไปมีแฟนก็ไม่ไปอยู่คนเดียวดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีแล้วมันจะต้องเป็นความทุกข์ขึ้นมามีแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟนมีสมบัติมีข้าวของเงินทองก็ต้องทุกข์กับสมบัติข้าวของเงินทองมีอะไรก็ต้องทุกข์กับมันซูไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่า นี่คือวิธีการนั่งสมาธิที่เราจะมานั่งกันอีกประมาณ23นาทีด้วยกันให้มีสติอยู่กรรมฐานเพียงอย่างเดียวอย่าทิ้งกรรมฐานตลอดระยะเวลาที่เรานั่งแล้วใจเราจะเข้าสู่ความสงบเบื้องต้นอาจจะสงบเทลเล็กเทเล่น้อยไปก่อนก็ได้เพราะสติเรายังมีไม่ไม่ต่อเนื่องยังเผลอไปคิดบ้างก็เดินกลับมาถ้าสามารถให้มันอยู่กับกรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องมันก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้ เวลามันดิง่งบทีก็เหมือนกับตกลุมตกบ่อตกลงมาจากที่สูงแล้วใจก็นิ่งเย็นสบายสงบไม่ดิ้นต่อไปไม่ต้องทำอะไรให้รู้เฉยๆไปจนกว่าจะหมดกำลังแล้วค่อยความคิดจึงจะค่อยกลับมาใหม่นี่คือวิธีการนั่งสมาธิต่อไปนี้เราจะมานั่งกันประมาณยี่สิบสามนาทียี่สิบสองนาทีด้วยกัน าตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิข้ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกโปรดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจาวิธีนั่งของวันนี้ไว้เพื่อคราวหน้าเวลามานั่งเราก็จะได้นั่งให้สงบได้เหมือนวันนี้โดยใช้วิธีที่เราใช้ในวันนี้ไปอย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบนี้จะไม่ทาให้มันสงบนะ ต้องวิธีนั่งที่ถูกต้องอย่างวันนี้ถ้านั่งเรายังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกําลังไม่มากพอก็ขอให้พยายามเจริญสติให้มากก่อนที่จะมานั่งเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆหรือคอยเฝ้าสังเกตดูว่าร่างกายเรากําลังทําอะไรอยู่ผูกใจไว้อยู่กับร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ง่ายขึ้นอต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะธาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวาอิตุทินังเฟตานังอุปกะปะติอิจิตังปะทิตังตุหังคิปเมวะสมิจิตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโววินักสตุมาเตภวะตวันตาาโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทานัสสลิสะนิจจังวุฒาปะจายิโน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 เพราะถ้ารอให้เลิกแล้วค่อยมาถามจะไม่สะดวกที่จะตอบต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง Facebook 2ง9 YouTube พระสุชาติไลฟ e 2 9งร้อ u เก้าสิบสี่ยูทูดรวียิวิทยุออนไลน์7หน้ากุฏิ151รวม720ค่ะ มีคำถามฝากถามจากหน้ากุฏิค่ ะ, ะถามได้เลยค่ะกราบขอปัญญาจากพระอาจารย์ค่ะลูกมีความตั้งใจที่จะหยุดความวุ่นวายในชีวิตการทำงานและหันมาปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นจึงได้ยื่นขอ Early r e t i r ท m e n t แต่ทางหัวหน้างานซึ่งเป็นผู้มีพระคุณเคยมีบุญคุณเคยช่วยเหลือให้มาขอร้องให้พิจารณาเลื่อนออกไปปีหน้าหรืออยู่ต่อไปเพราะยังหาคนที่มาแทนไม่ได้ ขอปัญญาจากพระอาจารย์ค่ะว่าควรพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรดีก็ดีทั้งนั้นน่ะจะอยู่ต่อก็ได้จะไปก็ได้แล้วแต่เราจะให้น้ําหนักที่ทางไหนถ้าต้องตอบแทนบุญคุณก็อจะต้องอยู่ต่อตอบแทนบุญคุณไปก่อนแต่ต้องมีมีขอบเขตไม่ใช่ตอบพอปีหนึ่งได้แล้วเดี๋ยวเขาต่ออีกปีหนึ่งก็ต้องมีความเด็ดขาดแต่ถ้าเราคิดว่าเวลาของเราไม่คอยใคร ตอนนี้พวกนี้เราอาจจะตายก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจก็ได้เพราะว่าการไม่ได้ตอบแทนนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นพวกกระตั น, ต น, ตนอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะตอบแทนเขาได้ในตอนนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่จะคิด Question from foreigners the first person has the questions how can meditation help in our daily life Especially at work and when our life is facing ups and downs, it makes you feel calmer, more peaceful inside, and will enable you to deal with the bad situations. Your mind will not be disturbed. Your mind can be peaceful and calm in the midst of all the troubles. The last question. How do we apply meditation when facing stress, setback, success, or emotional swing? Well, meditation will reduce your stress and your emotional swing, but you have to practice it daily in order to be able to to do it. If you occasionally practice meditation, then you might not be able to to deal with your emotional swing up and down. So you have to try to meditate at least once or twice a day. Question from the second person: Is my understanding of the practice sequence correct? First, develop calm and stability of my sam samatha concentration until the mind becomes peaceful and joy arises. Then practice insight. We are vipassana by observing the body, for example, body part, to realize impermanence and non-self. It is the approach. And how would we could? How would you recommend a beginner to progress step by step? Well, before you can meditate and have calm, you need to practice mindfulness first. Because without mindfulness, when you meditate, your mind will not stop thinking. And when you don't stop thinking, your mind cannot come to calm, come to samadhi. So before you meditate, you should practice mindfulness during the daytime, during your waking hours, from the time you get up to the time you go to sleep. Try to recite the mantra b u t t o b u d t o b u t t o or keep watching your body, action. Don't let your mind go think about some other thing. And if you can bring your mind to just be merely watching your body or reciting the mantra, then when you meditate, your mind will be focused on your breath or on the mantra, and then your mind can become calm and peaceful. You have to do this a lot before you can go to the next step. You have to be quite proficient that you can enter into samadhi any time. Once you can do that, then you can go to the next step of studying the nature of your body to you see that it is impermanent, it's temporary. It will get old, get sick, and die. And there's no self in the body. There's just thirty-two parts. Study until you become convinced and accept the truth. When your body get old, get sick, or die, you will not get any suffering. คำถามนากุติอีกหนึ่งท่านค่ะนั่งสมาธิไปนานๆแล้วรู้สึกเจ็บขาเราสามารถขยับตัวได้หรือไม่ครับหรือต้องทนให้หายจากอาการเจ็บไปเองอาการเจ็บทำให้อยากออกจากสมาธิครับถ้าอยากจะก้าวหน้าก็ต้องทนเจ็บไปเพราะว่าชีวิตของเรามันต้องมีความเจ็บอยู่เรื่อยๆการที่เราสามารถผ่านความเจ็บไปได้ก็จะทาให้ต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะได้ไม่ทุกข์ทรมานกับความเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ถ้าเราไม่สามารถผ่านความเจ็บไปได้พอเราเจอความเจ็บจากโรภคภัยแค่เจ็บเราจะทรมานมากพราะเราไม่สามารถทําให้มันหายได้ mm hmm. ยันถ้ายังมีสติหรือขาดสติสติไม่มีกําลังพอตอนที่เจออาการเจ็บก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปอย่าปล่อยให้ไปนั่งเฉยๆ อ, อ, อย่าไปคิดถึงความเจ็บพอเราลืมเรื่องความเจ็บไปความเจ็บก็จะเบาลง mm hmm. อพรความเจ็บส่วนใหญ่มันเกิดที่ใจของเราเกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปพอเราไม่ได้ไปสนใจความเจ็บความอยากให้มันหายไปก็จะไม่มีพอไม่มีความอยากความเจ็บทางใจก็หายไปใจเราก็จะสามารถอยู่กับความเจ็บทางร่างกายได้ต่อไปคำถามจากทาง f a c e b o o กคุณชัยคะ่ะกลับนมัส ก, การพระอาจารย์ผมสอบถามการปฏิบัติสองข้อครับ ข้อหนึ่งในขณะที่ผมทำสมาธิจิตผมอยู่ในสภาวะว่างสงบสบายมีความสุขเป็นช่วงสั้นๆเป็นขณะขณะยังไม่สามารถรักษาสภาวะนี้ได้นานสภาวะนี้จิตรวมหรือยังครับก็รวมเป็นสั้นๆอาจจะเรียกว่าคานิกะสมาธิสงบชื่วแป๊บเดียวแล้วก็ถอนออกมาเราก็ต้องนั่งบ่อยๆแล้วพยายามฝึกสติให้มากๆตอนที่เราไม่ได้นั่งเพื่อเวลาเรานั่งมันจะได้สงบได้นิ่งได้นานกว่า ที่เป็นอยู่ยิง่งต้องลาออกจากสมาธิมาก็ต้องเจริญสติต่อจะใช้พุโทโธพุโทโธก็ได้หรือจะใช้การดูร่างกายของเราก็ได้ผูกใจไว้อยู่กับพุโทโธผูกใจไว้อยู่กับร่างกายแล้วเวลามีเวลาว่างเราก็กลับไปนั่งใหม่ต้องทำสองอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาแล้วต่อไปเราจะสงบได้นานคาถามข้อสุดท้ายค่ะเมื่อกลับมาปฏิบัติต่อผมควรทำสมาธิต่อไป เพื่อให้จิตอยู่ในสภาวะดังกล่าวให้นานขึ้นหรือมีกําลังมากขึ้นก่อนสลับไปเจริญวิปัสสนาดีครับถูกต้องต้องให้ชํานาญในสมาธิก่อนเหมือเราหัดกับรถเนี่ยตอนต้นขับรถในในซอยก่อนเมื่อเรายังไม่ชํานาญอย่าเพิ่งไปขึ้นถนนใหญ่อย่าไปขึ้นทางด่วนเพราะเราจะอาจจะไปไม่สามารถควบคุมรถได้ให้พยายามฝึกอยู่ในซอยในถนนที่ไม่มีรถวิ่งก่อน เพเราเกิดความชํานาญในการควบคุมรถเมื่อเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถควบคุมรถให้วิ่งได้อย่างปลอดภัยเราค่อยไปสู่สู่ถนนหลวงไปสู่ทางด่วนต่อไปเหมือนกันเวลานั่งสมาธิฝึกสมาธินี้เราต้องให้ให้ชํานาญการเข้าออกในสมาธิก่อนอยากจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้อยากจะหยุดความคิดเมื่อไหร่ก็หยุดได้ก่อนพอเวลาเราไปทางปัญญามันจะต้องใช้ความคิดแล้วบางทีความคิดมันเลยเถอดกลายเป็นกิเลสไปมันก็จะ ฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วจะหยุดมันได้ยากแต่ถ้าเรามีสมาธิเราจะมาในสมาธิพอเริ่มรู้ว่าใจจิตเราจะฟุ้งซ่านแล้วเราก็สามารถใช้สมาธิหยุดมันได้เลยเอ็นต้องพยายามฝึกสมาธิให้ชํานานก่อนไม่ต้องรีบร้อนปัญญาเรามีอยู่พอแล้วอันนี้เราสิ่งที่เราขาดมากที่สุดก็คือสมาธิหมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะอ่ามีใครไหมที่ยัามาขั้นเวลา ใครอยากจะถามว่าเชิญถามได้นะไม่ต้องเกรงใจนะคาถามของท่านก็เป็นคุณประโยชน์กับผู้อื่นด้วยผู้อื่นเขาจะได้ยินได้ฟังคำถามที่เขาอาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต่อเขาได้ยินได้ฟังในตอนนี้เขาก็จะได้แก้ปัญหาได้เวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมานเรียกว่าเป็นการธรรมทานให้ธรรมทานกา่บผู้อื่นด้วยการถามคาถาม เมื่อเราได้คำตอบเราก็จะได้นำมาไปใช้ในการแก้ปัญหาของเราและผู้ที่เขายังไม่มีปัญหาเวลาในอนาคตถ้าเกิดปัญหาเหมือนกันเขาก็จะได้สามารถใช้วิธีเดียวกันได้จะ mm hmm. ถามต่างชาติ mm hmm. ดีกว่า you got any question no question today okay right. yeah. มีคำถามจากทาง YouTube จากคุณสิงหราชค่ะ ถ้าเรายึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะพ้นอันตรายต่างๆไหมครับคำว่า ย, ยึดหมายถึงให้ใหเชื่อฟังอันตรายต่างๆที่จะมาทําลายใจจะไม่มีถ้าเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่อันตรายที่จะมาทําร้ายร่างกายเรายังมีอยู่พรตัตตนาใจคุ้มครองร่างกายเราไม่ได้ร่างกายเราอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือมันต้องเปลี่ยนแปลง มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันจะต้องเจออุบัติเหตุอุบัติภัยมันจะต้องเจออะไรต่างๆสุดแล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยอันนี้พระรัตนตมาคุ้มครองไม่ได้พระรัตนตรัคุ้มครองใจเราได้ไม่ให้ทุกข์กับร่างกายได้ร่างกายจะเจ็บจะแก่จะตายอย่างไรร่างกายใจของเราเฉยได้เย็นได้สบายได้แต่ห้ามร่างกายไม่ให้แก่เจ็บตายไม่ได้ แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ห้ามร่างกายของท่านไม่ได้ร่างกายของพุทธเจ้าก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดเหมือนกันนั้นพระราชน้ายไม่คุ้มครองร่างกายอาจจะช่วยได้บ้างส่วนหรือถ้าเราทำความดีก็ยังไม่มีคนคิดทำร้ายเราถ้าเราไปทำความไม่ดีก็จะไปสร้างให้คนเขาเกลียดชังเราอยากจะมาทำร้ายเราได้อันนี้ก็มีส่วนแต่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นส่วนประกอบที่อย่างเดียว เพราะว่าร่างกายนี้มีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่จะมาทําให้ร่างกายทุกข์ให้ร่างกายเจ็บได้แต่ถ้าเรื่องเรื่องทางจิตใจนี้จิตใจจะไม่ทุกข์เลยถ้ามีพระรัตนใจใครจะดา่าใครจะชมไม่เสียใจไม่เดือดร้อนใครจะเอาข้าวของเราไปก็ไม่เดือดร้อนไม่เสียใจได้ไม่ดีอาจจะให้พรเข้าไปด้วยเออสาธุมีแล้วก็ทุกข์เอาไปได้ก็ดีอย่างพระเวสสันดรเนี่ยใครมาขออะไรให้ไปหมดเลย พอไม่มีแล้วมันก็ไม่ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เรามีแต่ถ้าเรายังมีอยู่เราก็ต้องคอยดูแลรักษาคอยห่วงอยู่เรืยบ้านจะมีใครเช่าหรือเปล่าคอนโดเราจะมีใครมาเช่าหรือเปล่าทุกข์อยู่อย่างนั้ น, อ, นอ่ะพอยกใครคนหนึ่งเข้าไปได้แล้วหมดปัญหาเลยไม่ต้องมากังวลว่าจะมีใครมาเช่าหรือไม่มีใครมาเช่าการมีอะไรนี้ในโลกนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นอ่ะถ้าไม่มีแล้วมันก็ไม่ทุกข์อ่ามีคําถามใหม่ไหม มีค่ะทาง Facebook จากคุณนัทวุฒิค่ะฝึกมาสักพักแล้วแต่พอเจอสิ่งเข้ามากระทบแล้วโกรธอยู่แต่เริ่มเห็นได้สติเร็วขึ้นถือว่ามีการพัฒนาบ้างไหมครับถ้าฝึกไปเรื่อยๆจะมีการไม่รู้สึกโกรธเลยได้ไหมครับก็ค่อยๆเป็นไปตามขั้นตอนตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วว่าเราโกรธขั้นต่อไปเวลาโกรธก็หยุดมันได้แล้วขั้นต่อไปก็สามารถคุมไม่ให้โกรธเลยก็ได้มันเป็นขั้นๆไป ท่านที่จะทำให้เราไม่โกรดนี่เราต้องใช้ปัญญาด้วยสาเหตุที่เราโกรธเพราะเราไปอยากให้เขาทำอะไรให้กับเราพอ เ, าพอเขาไม่ทำให้เราเราก็โกรธเขาถ้าไม่อยากโกรธก็อย่าไปขออะไรจากใครเราจะไม่โกรธที่โกรธเพราะขอให้เขาช่วยเราพอเขาไม่ช่วยเราเราก็โกรธเขาขอให้เขาทำนู่นทานี่ให้เราพอเขาไม่ทำให้เราเราก็โกรธเขาแต่ถ้าเราไม่ไปขออะไรจากเขาแล้วเราจะไม่โกรธเขาเลยนี่ขั้นสุดท้ายขั้นปัญญา คือเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้อย่าไปหวังอะไรจากใครแล้วเราจะไม่เสียใจจะไม่ผิดหวังจะไม่โกรธใครคำถามจากทาง YouTube ค่ะนั่งสมาธิแล้วออกจากสมาธิแล้วเกิดความคิดขึ้นเร็วมากใช่การเกิดปัญญาใหมคะไม่หรอกขาดสติ<อ>ไม่ควบคุมต่อ อ, อ, อยากสมาธิก็ต้องคุมจิตต่อต้องใช้พุโทโธต่อหรือต้องการเฝ้าดูว่าร่างกายกาลังทาอะไรอยู่ต่อ อย่าปล่อยให้ไม่มีสติคอยควบคุมความคิดก็เหมือนกับรถเนี่ยพอเราถอนเบรคปั๊บปล่อยเบรคปั๊บมันก็วิ่งพุ่งต่อไปเวลาเราเหยียบเบรคมันก็นิ่งอยู่เฉยๆอย่างรถที่เป็นเกียร์ออโต้เนี่ยพอเราเหยียบเบรคมันก็นิ่งพอเราปล่อยปั๊บมันก็วิ่งต่อได้ร่านงะความคิดของเราก็เหมือนกันตอนเราเข้าสมาธินั่งสมาธิเราก็ใช้สติคอยหยุดมันมันก็คิดน้อยหรือไม่คิดเลยแต่พอออกจากสมาธิเราปล่อยแล้วสิไม่มีสติแล้ว มันก็คิดฟุ้งสร้างทำมาใหญ่เนละยฉั้นการปฏิบัติธรรมนี้ต้องมีสติทั้งขณะที่นั่งหรือไม่นั่งต้องมีสติตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่เราจะไม่มีสติได้เดังนั้นพอลืมตาขึ้นมาต้องควบคุมความคิดทันทีต้องเริ่มพุโทโธพุโทโธไปภายในใจหรือผูกใจไว้กับร่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่แต่ต้องมีสติทั้งวันแล้ว ก, การปฏิบัติของเราจะไม่เสื่อมจะไม่ถดถอยสมาธิเราเราได้มันก็จะอยู่ต่อไป ถ้าเราปล่อยปั๊บป่อยสติปั๊บเดี๋ยวสมาธิเราได้มาก็หายไปหมดพระอาจารย์คะแล้วแล้วถ้าเราเพุโทโธพุโทโธทั้งวันเพื่อได้สติแล้วสมาธิปัญญานี่จะมาช่วงไหนคะพระอาจารย์ยังไม่ถึงช่วงอ่ะมันยังไม่ถึงเวลา <จะ S 1> ยังขับรถ<า><ะ>ยังขับรถ ไ, <ป S 2> ไม่เป็นยังเพิ่งไปขึ้นถนนใหญ่ส <ะ S 1> แสดงว่าที่คิดไปเรื่อยๆนั่นก็คือแบบไม่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ปัญญามันเป็นความคิดปรุงแต่ง ที่เราห้ามมันไม่ได้ยังห้ามความโกรธไม่ได้ห้ามความโลภไม่ได้ต้องมีสติมีสมาธิมากๆพอเราโลภเรากโกรธเราจะรู้ว่าด้วยปัญญาว่านี่คือกิเลสเราก็หยุดมันเสียได้ถ้ายังหยุดกิเลสไม่ได้ก็ modo, อย่าไปใช้ปัญญาให้เสียเวลารู้ว่าเขาไม่ดีกับเราเขาไม่เขาเกลียดเราเขาด่าเราเรายังห้ามใจเราไม่ให้โกรธเขาได้นี่ก็แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญายังไม่มีสมาธิที่จะหยุดความโกรธของเรา รู้ว่ารู้ว่าความโกรธของเรามันมันเป็นทุกข์แต่เราก็หยุดมันไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีสมาธิพองั้นฝึกสมาธิให้สามารถหยุดความโกรธให้ได้ก่อนหยุดถ้าหยุดถ้าเข้าสมาธิมันจะหยุดโลภโกรธลงได้ชัว่วคราวพอเรารู้จักวิธีหยุดมันนะเวลาออกมาจากสมาธิพอเริ่มโกรธเราก็หยุดมันได้ด้วยสมาธิได้เลยขอบคุณเชีวค่ะเแล้วเหรอ มีค่ะคำถามจากทาง youtube ค่ะจากคุณชาตรีค่ะสังโยชนิสิบพระองค์ท่านเทศสอนใครอย่างไรครับมีที่มาที่ไปอย่างไรครับออสอนผู้ที่ได้สมาธิแล้วไงการที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิดาคาผ้านาคาผ้าหลานนี้ต้องละสังโยชนิสิบข้อนี้ถ้าละสามข้อแรกได้ก็เป็นพระโสดาบันถ้าทําอีกสองข้อให้เบาบางลงก็เป็นพระสกิดาคา ถ้าทําอีกสองข้อที่เบาบางลงให้หมดไปได้ก็เป็นพระอนาคาแล้วก็เหลืออีกห้าข้อทาร่าอีกห้าข้อที่เหลืออยู่ได้ก็เป็นพระอรหันคํ า, าคถามจากคุณสิริพงค์ค่ะอยากให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดกับการสูญเสียชีวิตของคนที่รักในครอบครัวไปครับทํำยังไงถึงจะไม่เสียใจเศร้าหมองครับเป็นเรื่องธรรมดามีเกิดแล้วก็ต้องมีตายเป็นธรรมดามีการพลาดพาดจากการเป็นธรรมดา ร่วงเกินสิ่งเหล่นี้ไปไม่ได้เราต้องสอนใจไว้ล่วงหน้าก่อนถ้าเราไม่สอนใจไว้ล่วงหน้าใจเราจะไม่เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์แต่ถ้าเราสอนไม่่วงร่วงหน้าสอนไว้บ่อยๆไม่ให้ลืมไม่ให้ไม่ให้ลืมแล้ให้ปร่งอยู่เรื่อยๆเพราะเกิดการสูญเสียก็จะรู้สึกเฉยๆตอนนี้ยังไม่สายเสียไปแล้วก็ยังไม่สายให้มานั่งคิดอยู่บ่อยๆว่าต้องต้องตายจากกันทุกคนไม่ไม่ให้แต่เฉพาะเราคนเดียว ทุกคนนี่เกิดมาในโลกนี้จะต้องสูญเสียเสียงที่ลากไปเสมอคําถามจากคุณสอนค่ะถ้าเราหนอยู่ในวัยที่ทํางานมีความเครียดความวิตกกังวลในเรื่องงานทําให้จิตไม่สงบมีวิธีฝึกจิตหรือปฏิบัติอย่างไรให้ทํางานได้อย่างมีสมาธิและมีความสุขคะก็อยากคิดไงทำงานไปตามตามเนื้อผ้ามีหน้าที่อะไรก็ทําไปอย่าไปคิดพอคิดแล้วมันจะเครียดขึ้นมาได้ ทำงานไปแล้วท่อพุโทโธไปท่อพุโทโธไปยกเว้นเวลาที่ต้องใช้ความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องงานก็หยุดพุโทโธไว้ชั่วคราวถ้าคิดกับเรื่องงานมันไม่เป็นปัญหาแต่มันไปคิดเรื่องอื่นมันจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ในเวลาที่มันเริ่มคิดที่จะทําให้เครียดก็ต้องใช้พุโทโธหยุดมันก่อนหมดแล้วนะคำถามหมดค่ะโอเคเวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติ